ไม่เป็นไรค่อยหัดดูเนี่ยไปแล้วเห็นไหยมันสายออกไปแล้วดูออกไหมคือว่าออวันนี้เป็นกลางแล้วก็จิตใจตั้งมั่นมากกว่าเมื่อวานค่ะแล้วก็เห็นสภาวะชัดเจนขึ้นแล้วค่ะจิตใจมีความสุขไหมมีความสุขค่ะแต่ว่ามันมีโมหะอยู่ด้วย ม, นะมันมีโมหะ <laughs> มันมีความสุขด้วย <laughs> บางทีมีโมหะแล้วก็ไม่ต้องรู้อะไรเลยมีความสุขก็มีนะขี้เจ็ดขี้คลานไปเลยแล้วก็สบายอรย่างเงี้ยใครดูนะแอคทีฟไว้เช้าเช้าโมหะมันเยอะเช้าเช้ า, ชาเป็นเวลาหากินของโมหะกลางวันนะเป็นเวลาหากินของโทสะค่ำค่ำเป็นเวลาหากินของราคะ <laughs> มันเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละค่ะ <laughs> อย่างลงพ่อฝึกตัวเองน ะ, ะก่อนเนี้ยเขตื่นขึ้นมาแล้วมันมีโมหะมีเหมือนกันนะสมัย20กว่าปีก่อนอยังเอาใหม่ทดลองฝึกตัวเองนะกลางคืนเนี้ยกินน้ําเยอะๆเลยนะแล้วตื่นบ่อยมาเข้าห้องน้ํามาฉีนะ่ตื่นขึ้นมานะแล้วยังงวยเงีย้ยงวยเงีงงเงนะจะไม่นอนต่อแล้วจะนั่งดูไม่เดินด้วยนะถ้าเดินเดี๋ยวมันหายง่ายจะนั่งดูไป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 นะกระตุ้นแบบไหนจะพอดีกระตุ้นแรงไปเดี๋ยวเตลิดเปิดเปิงอีกนะบางคนจิตใจมันซึมไปนะซึมเศร้าให้ออกไปกระทบกับโลกกระทบมากไปเสียอีกแล้วนะันเป็นศิละปะนะเครื่องมือที่ช่วยเราได้ดีที่สุดเลยคือความช่างสังเกตโยนิโสมานสิการของเรานี่ยคอยสังเกตว่าตอนนี้จิตใจเรามันเป็นยังไงอะไรมากไปอะไรน้อยไปนะถ้ามันรู้สึกพอดีพอดีแล้วก็ตามรู้ตามดูอย่าเข้าไปแทรกแสง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 ขึ้นมารับอารมณ์ชแช่ๆล้เบลอลงไปมันใช้จิตดวงนั้นจิตดวงที่เบลอๆตัวนั้นะไปฝันไปชิดเป็นความว่าตรงเบลอนั้นคือมันจะยาวไม่มใช่มันเกิด อ, อยู่ข้างในเกิดอยู่แต่แค่ตรงนั้นน่ะเหรอคะมันไปเคลื่อนอยู่ข้างในนะตอนที่นอนหลับมันไม่เต็มวิถีของมันเพราะฉะนั้นวเวลานอนนะถ้านอนแล้วฝันมากก็แสดงว่านอนนานไป หรืแม่ก็ร่างกายไม่สบายหรือบางทีสิ่งภายนอกเข้ามารบ ก, กวนมีได้หลายแบบนะจนสังเกตดูเมื่อเมื่อคืนนี้เหมือนกับว่าวิธีจิตที่เขาไปของเขารอบๆของเขาอยู่เรื่อยๆเนี่ยสักพักหนึ่งเขาเหมือนเขาวิ่งผิดวิถีปกติของเขาอะแล้วเราก็ตกใจตื่นขึ้นมาเลย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 กิเลสใช่ไหมฮะก็จะเกิดอชอบชังหรือว่าเฉยๆใช่ไหมฮะพอ ร, รู้ว่าชอบชังเฉยๆแล้วมันยังมีชอบชังเฉยๆซ้ําซ้อนขึ้นมาอีกส อ, สองชั้นสามชั้นเนี่ยดีแล้วเรารู้ลกปัจจุบันไปเรื่อยๆดีแล้วที่ภาวนานะดีแล้วจิตวกแวกคะ่ะพระอาจารย์มันมันดื้อคะ่ะใช่ดื้อห้ามันไม่ได้เนี่ย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 ตัวเนี้ยนะ่ะคือจิตที่ใช้เดินวิปัสสนาอจิตที่ไปกดนิวรณ์เนี่ยเป็นจิตที่ใช้ทํทาสมถน ะ, ะจิตที่มีนิวรณ์เนี่ยเป็นอากูสต ร, รจิตครับนะแล้วอย่างสมมุติว่าคนคนหนึ่งพัฒนาตัวเองไปแล้วสมมติว่าเป็นพระอริยะชั้นหลังแล้วเขาจะเหลือนิวรณ์มาให้ทําวิปัสสนาไม่มันก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นสิเราจะทํา เอาไว้วันนั้นค่อยมาถามแล้วนะครับถ้านาคาแล้วไม่มีนิวรณให้ให้ดูแล้วแลอวจริงๆก็ง้นผมสงสัยจริงว่าแล้วแในในตอนนั้นเนี่ยคือเขาจะทําอะไรครับเขาก็ดูอย่างอื่นไว้สิดูจิตที่เป็นกุศลก็ได้อืมจิตที่เป็นกุศลก็แสดงไตรลักษณ์เท่าๆกับจิตอกุศลแหละออืคือยังไงก็ต้องดูกายดูใจอออืืม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 มันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนที่จิต ด, ดิ้นมากๆากอ้าวคุณโมลชะตากรรมมาถึงแล้วหลวงพ่อคะ่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยมันมันคงดิ้นมาจนเหนื่อยมันก็เลยอะไรนะไม่ได้ยินอาทิตย์ที่ผ่านมา<ก>มันคง ม, มันคงดิ้นจนเหนื่อยอะคะ่ะหลวงพ่ อ, อมันก็เลยเฉยเฉยดูดูมันไปอย่างนั้ น, นะคะ่ะก็รู้สึกสบายขึ้นนะคะดีวันนี้ภาวนาดีแต่ว่าวันนี้กายมันคงง่วงมาคะ่ะหลวงพ่อ ใจมันดีก็แล้ว ก, กันนะกายมันก็ทุพผลภาพด้วยความชราลงทุกวันทุกวันนะมันห้ามไม่ได้นี่วันใี้หลวงพ่อช่ว ย, ยืนยันว่าใจอย่างนึงใจ ใ, ใอย่างหนึ่งวันนี้ใจใชจได้ไม่ค่อยใจสบายไม่ค่อยดิ้นเหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ใไหมไม่ค่อยงกเท่าไหร่อแต่เริ่มเกร็งแล้ว <laughs> นะเริ่มเพี้ยนแล้วรู้สึกไหมค <c oughs> ่ะใจที่ดีๆเริ่มเพียนออกไปจาก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 รู้สึกจิตมันไม่ค่อยมีแรงดิ้นจิฟุ้งมันฟุ้งใช่ไหมเรารู้ตรงความเป็นจริงแล้วใจไม่ดิ้นรู้สึกไหมตรงที่หลวงพ่อชมว่าดีเนี่ยก็คือเรารู้ว่าฟุ้งซ่านโดยที่เราไม่ไปตฏิเสธมันมันรู้เฉยเฉยรู้สึกไหมมันเป็นกลางมันเป็นกลางนั่นแหละที่ว่าวันนี้ภาวนาดีก็คือมันเป็นกลางต่อความฟุ้งซ่านดูออกไหมดูอกนั่นแหละดีดูจิตมันเหมือนกระจายกระจายอมันกระจายมันฟุ้งไปนะแต่ใจเราเนี่ย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 หลังๆนี้ก็อ่านจากของหลวงพ่อแล้วก็พยายามดูกายดูใจตัวเองะครับจริงๆก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่<อ>เหมือนกับว่าจะฝึกให้ได้ที่ว่าพยายามปฏิบัติกรมกืนกับชีวิตแต่มันโดนบั่นทอนด้วยความเผล อ, ค ว, อความเบือ่อความขี้เกียจอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับอืจะแก้ไขยังไงดีครับไ อ, อ้ความเผลอความเบือ่อความขี้เกียจนั้นก็บั่นทอนทุกคนแหละ <c oughs> นะแล้วมันก็เลย <c oughs> ทําให้เหมือนกับว่าไม่สามารถเออใจจริงก็อยากจะ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 แต่ว่ามันมองไปมันเศร้ามองไปเพราะกิเลสต่างหักนี่ถ้าเรารู้ทันกิเลสไหลแว บ, บมาสติระลึกได้นะจิตจะผ่องใสอัตโนมัตินะสงบสสว่างรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาฉับพลันเลยเราก็จะสามารถอยู่กับโลกนะอย่างคนที่รู้ทันโลกถูกโลกกัดน้อยลงน้อยลงนะแต่อย่าไปกัดกับโลกนะคนคอยดูเอาตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ไหม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 อ้าวเชิญกลับบ้านเอ้ยไม่ใช่เชิญไปทายข้าวเนี่ยใจหลวงพ่อได้อยากให้มันกลับบ้านไปหมดนะไม่ได้อยากเจอเลยนะไปเชิญเชิญนินมนต์ครับนิมนต์